ไอ้ไอเครื่องมือที่จริงเป็นองค์ประกอบเล็กน้อยเข้าใจไหยครับ <c oughs> ผมบอกแล้วว่ากรรมวิธีทุกชนิดเป็นสิ่งชั่วคราวเราเาเตือนมันเพื่อไม่ให้เผลอตัวเท่านั้นแต่ว่าจะไปสนใจมันเข้ามันไม่สําคัญอะไรครับสําหรับบางคนที่ตีดีแล้วไม่ต้องทําก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องทําก็ได้ก็นั่งดูตัวเองอย่างนจิตคิดไปก็รู้อยู่นี่แหละกระพริบตาอยู่หายใจเข้าชี้ออกอยู่หรือไอ้ความรู้สึกตัวที่ ที่ปรากฏอยูค่คือการงานของรูปรละนามที่กำลังทําร่วมกันอยู่กายก็เคลื่อนไหวไปมาครับถึงต่อเรานั่งนิ่งก็เคลื่อนไหวเช่นต้องหายใจเข้าหายใจออกท้องก็พองยกกุก็ดูเล่นๆไปอย่างนั้นนะส่วนจิตก็มีการงานของมันคือคิดนึกมันเคลื่อนไหวอยู่แล้วดังนั้นเราเฝ้าดูเข้าไปเฝ้าดูาไป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 จรสตินั้นหลุดพ้นได้ไม่จริงครับอันนี้ว้าวเองครับสติไม่ได้ทาหน้าที่หลุดพ้นตรงข้ามสติทาหน้าที่ติดด้วยซ้าไปเหมือนที่ผมบอกว่าเวลาเราโกรธเราก็รู้ตัวโกรธแต่นั้นก็ติดอยู่ตรงนั้นมีพุทธภาษิตตรัสว่าสตินั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่สตินั้นละเวณไม่ได้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 เมื่อสะสมคำว่ า, าสะสมน้ําเราต้องรู้มันมีช่วงซึ่งน้ําแห้งด้วยครับถ้าเราหยดประหยดหนึ่งในในโถหรือในแก้วแล้วทิ้งไวปครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่มีสักหยดหจริงจรงเลมันละเหยหมดดังนั้นหยดหนึ่งหยดแล้วก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งน้ำที่ระหยดระหย ด, หย ด, หยดมันเกิดเป็นน้ําเป็นจํานวนปริมาณที่มากแล้วก็มีมีพลังขึ้นมาแล้วนั่นคือสมาธิ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 ทีนนมสมาธิพอเพียงครับมันเกิดเห็นรูปเห็นนามนะคับไอ้นี่กายอย่างนี้ไอ้นี่จิตไอ้นี่เป็นรูปไอ้นี่เป็นนามอะไนี่ปัญญาเกิดนะครับหรือเห็นเห็นความคิดคิดนึกไปนี่ก็เห็นอยู่นะแล้วเห็นสภาพซึ่งไม่ได้คิดสภาพทุน่ทนๆนะฮะอย่างนี้นครับเรียกว่าเมื่อมีพลังของสมาธิพอเพียงปัญญาก็เกิด มันปัญญาพอเพียงก็ชื่อว่าบรรลุถึงสมาธิฏิผมได้กล่าวไปครั้งแล้วนะครับว่าสมาธิติเกิดไม่ได้โดยการนั่งฟังเงิเฉยๆเรียนจากตำรารองค์ประกอบของสมาธิตินั้นคือหนึ่งได้ยินผู้อื่นอธิบายขึ้นภาษาพระเ้าเรียกปรตโฆศักคือผู้อื่นโฆษณาขึ้ น, นองค์ที่สองที่สำคัญมากก็คือโยนิสมณสิการ ทจริงโยงนิโสนาตการคือสติคือได้ยินแต่ว่าตัวเองมีสติด้วยถ้าสติอ่อนแม้สิ่งนั้นจะพูดเรื่องสมมาธิฏฐินี่คนนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าถึงสมาธิฏฐิไม่ใช่ว่าเราจําได้ว่ามีความตันอยู่รู้คุนคนเชื่อว่าพระหันมีจริงเชื่อว่าทานมีผลแล้วนั่นคือสมาธิฏฐินั่นไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นทฤษฎีเท่านั้น เราพูดเราเรียนรู้เรื่องอริยสัจทุก์มีเหตุตรงนั้นนิโรธมรรคอย่างนั้นอย่างนั้นนนั้และชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นเป็นชื่อของการยังเข้าไปถึงธรรมะการเข้าถึงกระแสนั่นแหละจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลที่ชื่อหนึ่งทขาเรียกทิฏฐิสัมปันโนคือทิฏฐิที่สมบูรณ์มีทัศนะที่สมบูรณ์หมายถึงชื่อของพระโสดาบัน ดันั้นผมบอกไม่จาเป็นเลยที่ต้องเรียนอะไรมากมายที่จริงพระปริยัติทั้งหมดเพียงปลุกเร้าศรัท ธ, ธาของเราให้ปฏิบัติังนั้นเราจเจริญสติให้มากมีสติมากแล้วสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยก็จะเด่นชัดขึ้น